ได้ยินเสียงโศกแล้วนึกถึงสาลาลุงชินเนาะเสียงคุนคุนสาลาลุงชินเนี่ยมาอยู่นะหลายที่จให้ประเทศต่อเราก็ยังไม่ค่อยวางก็ปลอบใจเขานะเราก็หน้าที่พระเนี่ยนะนอกจากสอนน ย, ยังต้องคอยปลอบใจโยมด้วยนะบอกไงก็ทิ้งไม่ได้หรอกสาลาลุงชินครูปาาจารย์ท่านสั่งกันต่อต่อกันมานะ เคยได้ยินหลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็เคยพูดว่าอย่าทิ้งสาลาลุงชินนะแล้วหลวงปู่เหลียนท่านก็มาบอกอีกต่อกันมาหลายรุ่นแล้วความจริงหลวงปู่เหลียนนะ่ะอาวุโสกว่าหลวงพ่อหลวง พ, พ่อพุธท่านเป็นมะเร็งท่านไปก่อนท่านเทศทั้งวันเทศทั้งคืนท่านเทศมากกล่องเสียงพังนะเวลาท่านเทศท่านก็พูดช้าๆนะไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อ ท่าพูดช้าๆชัดถ้อยชัดคําอยู่กับท่านก็ดีอย่างนะมีอะไรท่านเล่าหมดเลยสนุกอยู่กับท่านอยู่กับครูบาอาจารย์บางองแล้วก็ท่านเงียบๆอย่างลงปู่ดูลัาไม่พูดเยอะท่านนอกเลือกปฏิบัติแล้วไม่พูดเลยหลวงพ่อพูดท่านจะแบบใจดีเจอนั้นก็เล่านิทานให้ฟังนะ นิทานบางเรื่องก็ฟังแล้วก็ประทับใจนะอย่างใครเคยได้ยินเรื่องอิติปิโสภะขบือว่าไม่ใช่อิติปิโสภะวานะอยากฟังไหมอยากให้รู้ว่ายอยากนะท่านเล่าเรื่องพระผู้เฒ่าองค์หนึ่งท่านลูกศิษย์ลูกหาก็ไปขอเรียนด้วย นี่ลูกศิษย์เป็นพระปริยัติอาจารย์นี่เป็นพระปฏิบัติอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ให้ภาวนาอิติปิโสภะคะวอลูกศิษย์เป็นมหาป ร, รียนอาจารย์นี่ไม่มีความรู้มันต้องอิติปิโสภะควาในสุด่วไปปลุกระดมนะไล่อาจารย์ <c oughs> ยึดบ้านเลย <c oughs> อาจารย์นี่หนีไปอยู่บนภูเขา อยู่มาอยู่มาแล้วลูกศิษย์เนะเกิดนึกถึงอาจารย์ขึ้นมาก็ไปเยี่ยมสัหน่อยไม่ไปเยี่ยมเลยก็น่าเกลียดนะเดี๋ยวชาวบ้านตีฉินนินทาขึ้นผูกเขาไปพอถึงเวลาตอนเช้านะลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์บอกอาจารย์ครับเราจะไปบินทบาติที่ไหนนี่อยู่บนเขาไม่เห็นมีหมู่บ้านเลยอาจารย์บอกว่าเอ้าไม่รู้เหรอตำราไม่ได้สอนไว้บ้างเลยเหรอ บอกไม่ยากเลยนะถือบาทไปยืนที่ใต้ต้นไม้นะแล้วก็ท่องอ e ีตีปิโสพักขวือเดี๋ยวนางฟ้าเขาจะมาใส่บาทอย่างนี้โลกเสร็จก็วืออีกแล้วก็ไปทำตามอาจารย์นะอาจารย์มีข้าวมาฉันจริงๆตัวเองไม่มีเพราะตัวมีแต่อ e ีตีปิโสพักขวานีฐทานเรื่องนี้เลยสอนให้รู้ว่า ความคลังไม่ได้อยู่ที่ตัวคาถาหรอกอยู่ที่ความเด็ดเดี่ยวของใจเรื่องของสมาธินั่นเองท่านมีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะเพราะ้นบางคนคิดมากครูบาอาจารย์บอกให้พุทโธให้หายใจไปนะก็บอกจะขอพิจารณาจิตก่อนได้ไหมอย่าเงี้ยบางคนสอนให้ดูจิตนะก็บอกว่าขอไปทําสมถะก่อนได้ไหม อาจารย์เขาก็ดูนะว่าเราพอจะทำอะไรได้อย่างบางคนนะ่ะโงเ่เฮงไม่ให้เลยทำสมถะไม่ได้หรอกจะทำฌานก่อนนะชาตินี้คงไม่ได้ภาวนาเนี่อาจารย์ผ่านมาแล้วอาจารย์มองออกอะไรเงี้ยอาจารย์บอกใหนะ้ถ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนักนงะก็ภาวนายากภาวนานะอยากภาวนาง่ายนะภาวนางาง oo ไว้อย่าภาวนาฉลาดนะภาวนางางาอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ไป ไม่ต้องภาวนาฉลาดมากยกตัวอย่างนะบางคนภาวนาจิตมันหมองจิตมันเสื่อมอาจารย์บอกเสื่อมให้รู้ว่าเสื่อมมีแค่นี้แหละให้รู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงลูกสิธิ์รับไม่ได้จิตเสื่อมรับไม่ได้จะเอาจิตดีจะเอาดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวในโลกมีไหมไม่มี อะไรที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนะนี่ถ้าใจถึงถึงอาจารย์บอกว่าจิตเสื่อมให้รู้ว่าจิตเสื่อมนะรู้ด้วยความเป็นกลางถ้ารู้ด้วยความเป็นกลางแนละ้วมันไม่เสื่อมแล้วนะตรงที่รู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วไม่ดิ้นรนค้นคว้าอะไรนะรู้อย่างเป็นกลางตัวนั้นนะรู้ที่ดนะีจิตตัวนั้นรู้ตื่นเบิกบานโดยอัโตโนมัติดยตัวของมันเองอยู่แล้วง้นภะาวนานะไม่ต้องฉลาดเยอะหรอก หรือบางทีพอนาไปเกิดสภาวะแปลกๆเราก็ไม่ต้องกลัวโง่ไม่ต้องกังวลว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะถ้ารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งนี้อันนี้ยังเป็นสมมติบัญญัติอยู่แต่ว่าใจของบางคนมันห้ามไม่ได้อย่างใจหลวงพ่อเองอะ สมัยภาวนามาแรกๆเวลาเห็นสภาวะอะไรแปลกใหม่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะทนไม่ได้อะต้องค้นคว้าต้องดูให้ได้อันแรกเลยมันคืออะไระมันคืออะไรมันทำงานยังไงมันทำงานแล้วเกิดผลเป็นยังไงต้องดูไปค้นคว้าดอูอย่างนี้นะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนกระทั่งต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร เขรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรอ๋ออันนี้เกิดเพราะอันนี้อันนี้เกิดเพราะ น, นี้เกิดมาแล้วทํางานเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้แจ่มแจ้งนี้นะใจถึงจ ย, ยอมกับสภาวะอันนี้นี่เป็นคนๆ น, นะงั้นบางทีหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามสําหรับบางคนใจมันชอบพ้นกว่าแต่ถ้าคนไหนคิดแค่เอาตัวรอดนะไม่ได้คิดจะไปสอนคนอื่นไม่ได้มีปณิธานจะสอนคนอื่นเนี่ย สภาวะอะไรเกิดขึ้นสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้ลงปัจจุบันเท่านั้นพอละเพราะสภาวะทั้งหลายจะสอนไตรลักษณ์โดยอัตโนมัติสภาวะทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นมานะจะแสดงไตรลักษณ์โดยตัวของมันเองพวกเราโมวแต่สนใจเรื่องอื่นเช่นว่ามันคืออะไรเราไม่สนใจความเป็นไตรลักษณ์ของมันถ้าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยสนใจในความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมา ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องสนใจว่ามันคืออะไรมันทำอะไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงมันมาจากไหนทำยังไงมันจะไม่มาทำยังไงมันจะมาอีกอเงี้ยไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกงั้นเราภาวนาตั้งหลักให้ดีไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรเรารู้ในจุดเดียวก็พอว่าสภาวะทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับทั้งสิ้นต้องการเห็นแค่นี้เองความเห็นนอกจากนั้นเป็นของแถม แต่ว่าบางคนก็ต้องการของแถมห้ามไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่ห้ามนะแต่ถ้าต้องการพ้นทุกนะไม่มีอะไรยุ่งยากรู้ซื่ อ, อนะหลวงพ่อคาเขียนท่านก็ใช้คําดีรู้ซื่ อ, อมันเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นไปมันเป็นยังไงเป็นใจรักษนะมีแต่เป็นใจรักทั้งนั้นเลยดูให้เห็นใจรักษนะไม่ต้องดูอย่างอื่นหรอกแต่ว่าถ้า นิสัยใจคอแบบนี้ดูแล้วก็หลุดไปเลยนะก็จะไม่แตกฉานอย่าพ้นทุกอย่างเดียวนะแต่จะไปบรรยายให้ใครฟังเนี่ยพูดไม่ออกอะ่นะแต่าบางคนต้องการความแตกฉานมาันต้องค้นคว้าเยอะนะอันนี้คืออะไรอันนี้มีหน้าที่ยังไงเมื่อมันทําหน้าที่ของมันแล้วมีผลเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรนะถ้าไม่รู้ชัดนะใจไม่ยอมก็ดิ้นอยู่นั่นแหละค้นคว้าทบทวนไปทบทวนมานะ คนนี้ใช้เวลาเยอะหน่อยนานหน่อยนะพวกที่ไปไง่ายๆก็ใช้เวลาน้อยหน่อยงั้นะยอย่างบางคนอยากได้ความรู้เยอะๆอยากได้ปฏิสัมพิทานะมาถามว่าทำยังไงจะได้ปฏิสัมพิทาบอกไม่รู้วะเราก็ไม่ได้嘛คงต้องภาวนามากๆมัๆ่งนะภาวนามากๆนะแล้วก็ทำบุญทำทานไปอธิษฐาน ขอไปพบพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งนะแล้วก็ไปทำบุญกับท่านเยอะๆหน่อยไปฟังธรรมไปภาวนานะศึกษาให้มากนะแล้วก็ไปถามท่านเอาเองว่าทำยังไงผมจะได้ปฏิสัมพิทามนะันก่อนก็มีคนมาถามมีพระนะพระองค์หนึ่งท่านบวชสมพันษาแต่ท่านพระมหานิกายนะมาถึงท่านบอกท่านบวชมาสามพันษาแล้ว ตั้งแต่บวชนะครับใจผมน่ยมันก็คิดว่าต้องภาวนาเนี่ยใจท่านอยากภาวนาท่านก็ภาวนาหายใจเข้าหายใจออกทําอานาปนสติเนี่ยผมทําอยู่ไม่กี่วันแต่ทําทั้งวันทั้งคืนเลยนะตั้งใจจริงเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากเลยนิสัยทําไปแล้วมันสว่างพอจิตมันสว่างนะเห็นโยมมาหาโอ้โยมคนนี้มีจุดที่ดําๆอยู่ตรงนี้โยมไม่สบาย ไม่สบายเดี๋ยวแผ่เมตตาให้แผม่แผมันหายเนี่ยท่านก็โอ้ดีนะเราได้ทำกุศลนะแล้วคเลยทำไม่เลิกเลยก็ <c oughs> มีโยมคนหนึ่งนะหวังดีกับท่านไปบอกท่านอาจารย์ทําแบบนี้ไม่พ้นทุกข์หรอกทำแต่สมถะใช้ไม่ได้นี่รู้มากซะอีก <c oughs> เขาทาสมถะก็ดีอยู่แล้วนะไม่ว่าเขาใช้ไม่ได้ต้องทาวิปัสสนา อยากทํำวิปัสสนานี่เอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปฟังนี่ <c oughs> ดูดีนะว่าองค์นี้ท่านไป็โมโหเราเนี่ยลูกศิษย์อย่างเนี้ยนะมันสร้างศัตรูให้หลวงพ่อนันบจํานวนไม่ท้วนเลยอยู่ดีไม่ว่าดีะวันๆ น, นะเราก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเพราะไอ้ลูกศิษย์หวังดีชนิดนี้แหละเอาไปยื่นให้เขานะแต่องค์นี้ท่านใจเด็ดนะท่านบอกว่าท่านมาเปิดฟังนได้มาแผ่นเดียวนี้แหละฟังแล้วฟังอีกโอ้เราต้องทํำวิปัสสนานะ เราต้องเลิกแล้วเป็นพระหมอเนี่ยไม่ดีนะท่านก็มานี่นะถามผมจะทํำยังไงนะบอกท่านทํานาปนาาสติได้ท่านก็ทําไปสิไม่เห็นจะต้องเลิกเลยท่านมาถามว่าจะเลิกทําสมถะดีไหมไม่เลิกทําได้ก็ต้องทํานะทําไปแต่ว่าสมถะ ม, มันมีสองแบบอันนึงทําไปแล้วจิตสว่างขึ้นมาอันนั้นเป็นสมถะแท้ๆนะพอสว่างขึ้นมาแล้วจะใช้อะไรก็ได้หลายอย่าง แล้วแต่วาสนาเก่าบางคนก็ใช้แสงสว่างเนี่ยไปดูโล ก, กธาตุไปรู้คนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนะคนนี้เป็นยังไงอนาคตเป็นไงอดีตเป็นยังไงเทวดาเป็นยังไงนะสัตว์นรกเป็นไงใช้อย่างนี้ไปดูก็ได้งองค์นี้ท่านสว่างแล้วเที่ยมไปดูว่าใครเป็นโรคท่านสงสารนะบอกนี้สมถะนะเป็นแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งหายใจไปนะแล้วค่อยรู้สึกตัวไว S <S <an> <S เป็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนี่อย่างนี้จะต่อขึ้นมิปัสนาได้ไม่ต้องเลิกการหายใจหายใจไว้นะอย่าหยุดหายใจนะหายใจอีกหลายๆปีนะหายใจไปแต่ว่าเห็นในร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกนี้นะมันจะเริ่มต้นไปเดินปัญญาเพราะการเดินปัญญาเนี่ยบอกแล้วนะว่าเราต้องรู้สภาวะวเห็นความเป็นใจรักษณ์ของสภาวะการที่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยเห็นสภาวะอะไร เราเห็นรูปธปรรมกับ น, นามธรรมรูปธรรมนั้นนะ่ะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่นะกับเพื่อมเข้ากับเพื่อมออกเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบนะเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟบอะไรเนี้ยนี่รูปธรรมนะนามธรรมก็คือตัวใจที่ไปรู้ตัวรูปนั่นเองนะค่อยๆหัดอย่างนี้หายใจไปแล้วก็ดูไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู นะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ส่วนหนึ่ง น, ะนี่ถ้าเราเคยฝึกอนาปนาสติแล้วเราอยากจะเจริญปัญญาเริ่มต้นแบบนี้เลยหายใจต่อไปร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกไปในที่สุดมันจะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งบอกเอา้าท่านลองหายใจสิฝึกหายใจมาตั้งสามปีแล้วนะท่านหายใจปุ๊บบอกเห็นไหมร่างกายหายใจใจเป็นเห็นทันทีเลย คนทำสมถามานะมีผลดีนะไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่เร็วสามต่าช้าอะไรเพียงแต่ว่ามักจะนอกรูนอกทางนอกรูนอกทางอะไรนอกรูนอกทางไปนิพพานแต่ไม่นอกรูนอกทางไปสวรรค์และพรมโลกนะแต่นอกรูนอกทางของการไปนิพพานเอาแต่ความสุขความสงบอย่างเดียวไม่พอเอาแต่ของเล่นอย่างเดียวไม่พอของจริงไม่มีอยากได้ของจริงนะหายใจไปใจเป็นคนดู ฝึกไปมากเข้ามากเข้านะันจะเห็นนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายนี้เป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นธรรมชาติช น, นิดหนึง่งที่เป็นคนรู้อารมณ์นะแยกอย่างนี้ได้แล้วก็นั่งต่อไปเรื่อยๆนั่งไปนานๆมีความสุขขึ้นมามีปีติมีความสุขขึ้นมาก็หาขขาเห็นอีกปีติและความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ปีติก็ไม่ใช่ร่างกายนะ ความสุขก็ไม่ใช่ร่างกายมันเป็นความรู้สึกนะหรือนั่งไปนั่งไปแล้วใจฟรรุ้งซ่านใจฟรรุ้งซ่านรู้ว่าฟรรุ้งซ่านความฟุ้งซ่านไม่ใช่กายความฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่ค่อยๆหัดแยกสภาวะไปเรื่อยๆหรือนั่งหายใจไปนั่งหายใจไปมันเมื่อยมันปวดขึ้นมาก็นะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่ง จิตที่เป็นคนรู้ร es que ่างกายจิตท no e ี่เป็นคนรู้ความปวดความเมื่อยอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่หัดแยกไปเรื่แยกเป็นส่วนส่วนไปนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยคือเวทนาทางใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่จิตดูไปเรื่อยพอมีความสุขมากมาก จิตยินดีพอใจยินดีพอใจเป็นราคะความยินดีพอใจไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาในจิตอีกทีหนึ่งนะหรือนั่งไปแล้วกระสรับกระสายมันปวดเมื่อยนะจิตทุรนทุรายร่างกายเป็นทุกข์มากนะจิตหงุดหงิดจิตรำคาญนห้โทสะเกิดแล้วนะมันจะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยในร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่ง ความหงุดหงิดใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่พวกเราต้องฝึกนะค่อยๆหัดไปหัดแยกสภาวะอย่างนี้แล้วสภาวะแต่ละอย่างนั้นแหละจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีตัวเราสภาวะแต่ละอย่างนั้นแหละจะแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนี่คือการเจริญปัญญานะถ้าไม่มีการแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้แล้วก็ไม่เรียกว่าการเจริญปัญญา งั้นทำสมาธิสงบสว่างสบายก็ได้แค่นั้นเองบางคนสงบสว่างแล้วส่งออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นของข้างนอกเช่นเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นชาติหน้าเห็นชาติก่อนเห็นโรคภัยไข้เจ็บในคนอื่นเห็นโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายตนเองอันนี้ออกนอกสงบแล้วออกนอกอีกพวกหนึ่งสงบแล้วไปมุดอยู่ข้างในมีเหมือนกันนะ ไม่ออกนอกสุกเข้าไปอยู่ข้างในสงบอยู่ภายในนิรันดอนด้วยบอกนิรันดอนไม่นิรันด์แต่เพียงแต่อยู่ได้ประมาณหลายหมื่นกับจะอยู่เป็นหมื่นหมื่นกับเลยนะจักรวาลแตกระดับไปดับไปเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยอยู่อย่างนั้นแหะไม่ออกมากระทบอารมณ์ภายนอกเราวพุทธเจ้ามาตรสรู้กี่องค์กี่องค์ก็ไม่รู้นะเพราะจิตไปหลบอยู่ข้างในไม่รู้อะไรเลยนะตายไปแล้วไปเป็นอรูปประมอยู่อย่างนั้นนานนะ รู้ปรมนี้ไม่กระทบอารมณ์ภายนอกนะมีแต่อารมณ์ภายในของตัวเองแต่ไม่มีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะอะไรเพราะไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายมีแต่ใจอันเดียวใจก็สว่างไสวอยู่นี้ก็จะรู้อารมณ์ที่เกิดในใจสบายสว่างอยู่นานๆไปก็ไม่มีปัญญาอะไรขึ้นมา เวลาเราไม่ไปทาสมถะชนิดที่ถ่วงเวลาตัวเองนะชีวิตคนมีจำกัดมากเลยอย่านึกว่าชีวิตเรายืนยาวนะชีวิตเราเนี้ยสั้นนิดเดียวประมาณ70กว่าปีค่าเฉลี่ยบางคนไม่ถึงนะบางคนไม่มีโอกาสจะถึงด้วยซ้ำไปนะเราฝึกนะค่อยฝึกของเราไปเราเกิดมาชีวิตเราไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนนักหนาหรอกงั้นะเราจะเอาเวลาไปเสียเวลาเปล่า การเสียเวลามีหลายแบบนะเสียเวลาอยู่กับโลกนี่เสียเวลาเยอะเลยเสียเวลาอยู่กับโลกได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปชีวิตวนเบียนอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรหรอกบางคนลําบากนั้นทมาหากินจนแก่เลยกะว่าแก่แล้วจะสบายไม่สบายเดี๋ยวนี้คนแก่จํานวนมากเลยต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอีกลำบากบางคนไม่ต้องทํางานหาเงินก็จริงนั้นต้องไปเลี้ยงหลานอะไรเงี้ย อย่านึกว่ารลีไทยแล้วจะสบายไม่มีสบายชีวิตอนาคตนะดูแล้วย่าแย่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ยันเราจะไปเพลินเสียเวลาอยู่กับโลกมากนสนุกสนานพอสมควรแล้วความสุขในโลกพวกเราแต่ละคนก็รู้จักพอสมควรแล้วนะมันก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากเรามาหาสิ่งซึ่งมีสาระแก่นสารให้กับตัวเองคือมาภาวนา ภาวนานก็อย่าเสียเวลาไปอยู่กับสมถะนานเกินไปเสียเวลาอยู่กับสมถะนานนานจริงๆนะนานถ้าจิตไปทรงฌานอยู่ตายไปเนี่ยเสียเวลานา น, านมากงั้นเราขึ้นมีปัสนาให้ได้ขึ้นมาเจริญปัญญาให้ได้ถ้าคนไหนเจริญปัญญาได้ก็มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่สามารถเจริญปัญญาได้นะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพาน แต่ว่าจะเจริญปัญญาได้มีศีลนะทําความสงบใจฝึกจิตด้วยสมาธิก็ต้องฝึกแต่ฝึกสมาธิที่ถูกถูกร่องถูกรอยนะไม่ใช่ฝึกสมาธิออกนอกหรือฝึกสมาธิเข้าข้างในสมาธิดีๆเนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นกลางๆไม่ใช่ส่งออกนอกไม่ใช่ส่งเข้าข้างในเป็นสภาวะที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนะฝึกสมาธิชนิดนี้ให้ได้ ใจของเราเนี่ยไม่มีสมาธิที่ดีอาจจะมีสมาธินะแต่เป็นสมาธิออกนอกอย่างพวกที่เขียนซอฟต์แวร์เก่งๆนี่สมาธิดีนะสมาธิไม่ดีเขียนไม่ได้ไต้องจดจ่อจริงๆหรือพวกทํางานศิลปะนะสมาธิดนะีจิตใจสงบจิตใจเคล้าเคลียอยู่กับการทางานนะพวกที่เรียนหนังสือเก่งๆนี่สมาธิดีแต่สมาธิอย่างนี้ออกนอกนะ เรามาฝึกสมาธิที่ไม่ออกนอกสมาธิที่ไม่เข้าข้างไหนสมาธิที่เป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายคือภาวะซึ่งจิตมันตั้งมั่นจิตมันรู้จิตมันตื่นจิตมันเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถามว่าตั้งอยู่ที่ไหนไม่ได้ตั้งที่ไหนหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่นะถามหลวงปู่ดูลแต่เดิมเราหัดใหม่ๆเราคิดว่าต้องเอาจิตไว้ข้างในเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกแล้วเอาจิตไว้ข้างในนะ ไปเจอหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมบอกอยากเข้าไปข้างในออกมาข้างนอ ก, น, อกนี่ฝั่งเรางงนะครูบาอาจารย์ทําไมสอนต่างกันการที่ครูบาอาจารย์หลายองค์สอนไม่เหมือนกันนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะขาอสภาวะของเราที่ไปเรียนในแต่ละขณะไม่เหมือนกันที่แรกเราออกนอกตลอดหลวงปู่บอกอยห้ออกนอกเราก็เลยคิดว่าต้องเข้าข้างในเอาไปไว้ข้างในไม่เจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมบอกออกมาข้างนอกนี่เนะสร็จแล้วงงงงนะ ไปถามหลวงปู่ดูลอีกทีหงลวงปู่ครับจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนหลวงปู่ดูลบอกจิตไม่มีที่ตั้งนะฟังแล้วงงมากกว่าเก่าอีกจิตไม่มีที่ตั้งเวลวเรวาดแล้วจะดูที่ไหนอ่นะต่อมาไปเจอหลวงปู่เทศนะไปถามหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับจิตมันไม่มีที่ตั้งที่แท้จริงเนี่ยนะแล้วเวลาเราดูแล้วจิตมันจะอยู่ตรงไหนท่านบอกมันอยู่ที่กลาง อยู่ที่ความเป็นกลางโอ้ทาไมเรามองข้ามไปช็อตหนึ่งหลวงปู่โดลบอกอย่าออกนอกเราก็เข้าข้างไหนเราไม่รู้จักคําว่ากลางพอเข้าข้างในหลวงปู่สิมบอกว่าเอ้ยออกมาข้างนอกนี่เราก็หลุดออกไปเลยคราวนี้งงสับสนเราไม่รู้จักคําว่ากลางเรามองข้ามตัวกลางไปนะไม่ซ้ายก็ขวาใช่ไหมกลางไม่มีท่านะนินสยัยอย่างนี้นิสัยของชาวโลกตอนเราพอนาก็เป็นนะ เราก็มองข้ามคำ ว, ว่ากลางไปลืมไปเลยทั้งๆที่ไอ้กลางนะ่ะสำคัญแต่ว่าไม่เอานะหลวงปู่เทศท่านขยายความอีกอย่างนะท่านบอกคำ ว, ว่าใจใจแปลว่ากลางนะเคยได้ยินคําว่าใจกลางไหมท่านบอกคำ ว, ว่าใจเนี่ยจริงๆแปลว่ากลางนะงั้นเราดูจิต ด, ดูใจของเราดูไปกลางๆนี่ท่านสอนละเอียดหนะลวงปู่โดนเก่งนะแต่ถ้าจะสอนสั้นจุดๆเลยฟังยากนะ ต้องภาวนากันแสมปีเลยกว่าจะเข้าใจเราก็บางทีเราก็หาครูบาอาจารย์โ อ, อื่นมาช่วยด้วยฟังหลายๆสำนวนแล้วมาปิ้งอ๋อหลวงปูดด่ดูลท่านต้องการสื่อตัวนี้เองท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งหมายถึงจิตมันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นเรารู้ด้วยความเป็นกลางหรือเปล่าละ่ะเราชอบเอาไปตั้งไว้ข้างนอกเราชอบแบบตั้งไว้ข้างในหมทําไมเราไม่รู้อย่างเป็นกลางนี่หัดรู้ไปนะรู้ด้วยความเป็นกลางะ จิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี้แหละเรียกว่าจิตมีสมาธินะงั้นจิตของเราไม่ค่อยมีสมาธิหนีไปเที่ยวถ้าไม่หนีไปเที่ยวข้างนอกนะก็ไปบังคับไว้ข้างในสุดโต่งสองข้างมีภายนอกมีภายในนะยังใช้ไม่ได้จริงงัเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยนะหัดรู้ไปอย่างเป็นกลางสบายๆมีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายมีสติ รู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเวทนามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังขารที่เป็นกุศลละกุศลมีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวไปอย่างโน้นเดี๋ยวไปอย่างนี้ดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ด้วยนะไม่มีอะไรยากเท่าไหร่นะไม่ยากหรอกค่อยรู้ค่อยดูนานไปก็เกิดปัญญา การที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เรากําลังเจริญปัญญาเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นไหมทุกอย่างมันมีแล้วมันก็ไม่มีนี่มันคือมันไม่เที่ยงสิ่งที่มีนั้นก็ทนอยู่ได้ไม่นานนี่เรียกว่าทุกขังนะสิ่งที่มันไม่มีแล้วเกิดมีสิ่งที่เกิดมีแล้วหายไปนี่เรียกว่าอนิจจังสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วนี่มันทนอยู่ได้ไม่ไม่นานมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนนะ การที่มันเป็นไปตามเหตุตัดใ จ, จเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เห็นความจริงอย่างนี้นะเห็นมันไม่เที่ยงคือมันมีแล้วไม่มีไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ทนอยู่ไม่ได้นี่เป็นทุกขังมันจะมีอยู่หรือมันจะหายไปไม่ใช่เราสั่งได้เป็นไปเพราะเหตุนี่เรียกว่าอนัตตานะเรียนเพื่อให้เห็นสภาวะทุกชนิดที่เกิดขึ้นในกายในใจนี่แหละเป็นไตรลักษ พอเราเห็นความจริงนะทุกอย่างมันเกิดแล้วดับเนี่ยเราจะเห็นเนกายนี้เกิดแล้วก็ดับเวทนาเกิดแล้วดับสังขารเกิดแล้วดับจิตก็เกิดแล้วดับสัญญาเองก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันทีก็จำขึ้นมาทีก็ไม่ยอมจำนะการที่เห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้ารู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรืออัตมันนะ เ่าภาวนาดูสภาวะไปเรื่อยเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยสภาวะแสดงไตรักไปเรื่อยถึงจ wow okay, ุดหนึ่งเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนมีอัตตาตัวตนสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนก็คือตัวเราที่ถาวรตัวเราที่ถาวรไม่มีเพราะว่าสิ่งที่ถาวรไม่มีในโลกนะรูปประธรรมทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเวทนาทั้งหลายเกิดแล้วดับสัญญาเกิดแล้วดับสังขารเกิดแล้วก็ดับวิญญาณคือตัวจิตเองเกิดแล้วก็ดับ นะไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับนะงนั้นทุกสิ่งที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นถามว่ามรรคยานเกิดแล้วดับไหมนี่เป็นโลกุตละนะมรรคยานผลรยานเกิดแล้วดับไม่เอ่ยมรรคจิตผลจิตเป็นโลกุตละนะเกิดแล้วดับไม่เอ่ยโอ้ทำไมโลกุตละยังดับได้โลกุตละมีสองส่วนนะส่วนที่ยังมีเหตุมีผล นะยังเป็นเหตุเป็นผลก็ลส่วนที่นอกเหตุเหนือผลสิ่งที่นอกเหตุเหนือผลเรียกว่าอาสังคตะธรรมนั้นโลกุตตะลยังมีทั้งที่เป็นสังคตะและอสนะังคตะอย่างมรรคจิตโพลจิตเนี่ยเป็นโลกุตระจิตนะแต่เกิดแล้วดับนะมรรคจิตเป็นเหตุโพลจิตเป็นผลนะมีมีเหตุมีผลมรรคจิตเป็นโลกุตตะลกุศลโพลจิตเป็นโลกุตระลาวิบาก มีเหตุมีผลอยู่นิพพานเท่านั้นแหละที่ไม่มีเกิดไม่มีดับนะเฉพาะนิพพานที่เป็นอสังคตะนะงั้นเราภาวนานะไปรู้ลงไปทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับงั้นมรรคจิตเป็นของเราไหมมรรคจิตก็ไม่ใช่ของเรานะครองไม่ได้มันเกิดแล้วมันก็ดับผพลจิตก็ไม่ได้ใช่ของเราเกิดแล้วก็ดับนะอรหัตตมรรคจิตอรหัตตะผลระจิตเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลย การที out, the ่เราเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับนั้นมันฟ้องว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะพอเราล่าความเห็นปิดว่ามีตัวตนถาวรได้เนี่ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมตาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรในขณะที่ปุถุชนจะรู้สึกว่ามีตัวตนถาวรพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหม บางคนะระลึกชาติได้นะยังรู้สึกว่าเราชาตินี้กับเราชาติก่อนนะเป็นคนเดิมด้วยซ้าไปนะหรือเราชาตินี้เราชาติหน้าก็รู้สึกเป็นคนเดิมองมันมีตัวตนถาวรการที่เรามาหัดเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันออกไปแล้วเห็นสภาวะแต่และอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนะี่ยมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้นะค่อยฝึกไปหน้าหัดแยกธาตุแยกขันค่อยรู้ค่อยดูไป รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิจะไปแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ออกหรอกนะจิตจะไหลไปรวมกับธาตุกับขันธ์หมดเลยหรือไปรวมกับความคิดหมดเลยนนะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้นะแล้วนะมันถึงจะทำได้เชิญไปทานข้าวดโมงพอดีพดี